อ่าก็ได้รับอารัธนามาแสดงธรรมยามเช้าเนาะลุงอรุณของวันพระมาแบบงงๆเลดีก็ไม่บอก <c oughs> จับเทศเลยเถอะก็เ <c oughs> ดินทางมาไปเช้ามาวานก็ได้รับโทรศัพท์ว่าจาฝากข่าวมาว่ามี อะไรอะวันนี้ทำอะไรหละกอาพัดเนาะอืมมาฟังดินป่าอากาศมันจะมาแล้เปล่าโว้สว่างทางมาดินตะลมน้ม <c oughs> มําท่วมมาเนี่ยนึกวจะมาไม่ได้แล้วอ๋มาได้นะแล้วถ้าถึงนี่ก็ทําประโยชน์ซะหน่อยเนาะอ่างอกตั้งใจอเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะในโอกาสนี้เราทานทั้งร้ายได้ตั้งอกตั้งใจน้อมนำกายวาจาใจมาบำเพ็ญคุณงามความดีรหว่างเช้าประบำเพ็ญทานรักษาศีล อ, อบรม แสดงธรรมอีกของคัาธรรมเพื่อยามจิตใจของตนนั้นให้มีความเจริญของสกินข้าวกขเรียกว่าเลี้ยงกายกินใจก็ต้องเลี้ยงธรรมเนาะน้อมนำธรรมะเข้าไปสู่กระแสแห่งใจตนเองมนุษย์เรานั้นเกิดมาเขามีนี่แหละรูปปันนร่างกายของอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งเราต้อง กินข้าวรักษาถาดทัังสีไว้ถ้าไม่กินก็ห้อยหิวนอแต่ส่วนใจนั้นเราได้บําเพ็ญคุณค่าในหลักธรรมแล้วหรื อ, อยังน้อมดูจิตใจเราวันหนึ่งส่งกะระแสจิตออกไปข้างนอกมากมายนอ้องไปตามอาเห็นรูปจมูกรับกินยิ้นลิ้มรสเนาะ หก็ได้ยินเสียงกายถูกต้องใจก็คิดธรรมารมณ์ต่างๆมาเป็นสิ่งภายนอกทั้งสิ้นคิดไป น, นูน่นคิดไป น, นี่คิดไปอดีตอนาคตวุ่นวายไปหมดนอกคิดไปเรื่องการงานคิดไปเรื่องสเประแต่เราลืมสำรวจใจผู้รู้แล้วใครเป็นผู้รู้อยู่หนึ่งคลองล่านนี้เนาะ ดังเดิมมาอาศัยดิดามันดาและปฏิสนทีออกมาเนาะแล้วก็เรต่ดใจนีเข้าไปจิงเสิล์ในธาตุวิญญาณเหล่านั้นออกมาก็เติบใหญ่ไปตามสภาพของกรรมที่ได้บำเพ็ญปัจ น, นี้พวกเราก็เข้าสู่กระแสแห่งโลกเนาะโรค ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปกันแลยววะวัตรตสงสารมีเกิดทุกเกิดแก่เจ็บตายทุกท่านทุกคนเนาะที่มานั่งอยู่ก็กลางคน ส, ส่วนใหญ่แล้วปลายชีวิตก็เยอะนะผมขาวขาวสะอาดดีแล้ว้วซักอบ เ, อเวลามันซักอบสีดำกลายเป็นสีขาว <c oughs> อย่างพูดเทศกเริ่มจะขึ้นหัวก็ไปแล้ว <c oughs> เหลืออีกวันซลายไม่น้อยเขาคงจะตามคุณโยงไปแหละเนาะอ่านี่แหลสะสภาพคามเป็นจริงลูกประคันที่พวกเราอยู่ในร่างกายนี้เริ่มแตกสลายไปตามภาวะเวลาดังนั้นก่อนเหลือแต่ใจเนาะผู้มีสติสัมปชัญญะแล้วผู้มีปัญญาควรจะดึงเข้ามาหาความจริงบ้างก็คือดูใจเจ้ของเนาะ วิธีกำหนดดูพระเจ้าท่านเป็นองค์แรกๆท่านเป็นเบื้องต้นเนาะที่จริงก็มีวิชานีม้มาเยอะแยะไปหมดแต่พระพุทธองค์ท่านทรงสำเร็จประโยชน์จากการรวบรวมใจแล้วก็นำใจที่รวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวนั้นมาประหัตประหารกิเลสภายในใจทำอาสวะขย้ายาให้เกิดขึ้นทำลายเชื้อไขแห่งการเกิดนะ จนสำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่านก็มามาสรวิชาให้พวกเราเนาะเป็นพระคาเรีย ว, วศีลสมาธิปัญญาญาตโยมันเรีย ว, วาทานศีลภาวนาเนาะให้มีกระแสะแห่งการกระทำความดีเบื้องต้นกระทำทานอักษาศีลแบบเป่งวาจาเรียบร้อยแล้วเนาะสมาทานด้วยตนเองเหลือแต่ภาวนาก็คือดูแลจิตใจของตน ดึงกระแสความความรู้ตนรู้ตัวนั้นมาสู่ความตั้งมั่นโดยมีลมหายใจเข้าและออกเป็นต้นหรือจะบริกรรมภาวนาพุทธและโธเข้าออกผสมกันเพื่อให้จิตของตนนั้นมีหลักมีแรงที่อยู่เป็นต้นเมื่อเราได้รับแรงที่อยู่ใจก็อยู่ตรงนั้นน้องก็ทำหน้าที่อของตนไปรักษาสติธรรชัญญาให้บริบูรณ์ เมืม่อมันบริบูรณ์รวบ ร, ร, รวมดีจิตก็ค่อยๆยเย็นค่อยๆรวมละเอียดเข้ากะตั้งมั่นได้เนาะนั่นก็คือแรงรวบรวมจิตใจไม่ให้เพ่น่านไปภายนอกเมื่อใจมันสงบร่มเย็นดีมันก็มีกระแสธรรมก็คือความเย็นใจเนาะความเย็นใจนี้พวกเราเคยพบเคยเห็นบ้างแล้วยังบางท่านหากจะมีวาสนา ภาวนาได้บ้างเนาะก็ค่อยๆปรุงแต่งจิตใจของตนนั้นให้อ่เย็นดีเราก็จะเห็นพิชาเบื้องต้นนั่นก็คือสติตั้งมั่นเนาะก็เป็นมาหาสติเมื่อเป็นมาหาสติก็เกิดสมาธิเนาะเมื่อสมาธิตั้งมัน่นเราก็ค่อยๆกาหนดข้อธรรมต่างๆเกิดแก่เจ็บตายแห่งสภาพตามเป็นจริงใน สิ่งที่เรามีเนี่ยเราลืมเราดูเราลืมเราน้อมสังเกตตนเองอ่ามันก็เห็นแต่ภายนอกนเห็นในคนอื่นแก่เราไม่เห็นตัวเราแก่บ้างเนาะเมื่อเห็นตัวเราแก่มันก็จะสะดุ้งใจโอชีวิตเราผ่านมาเต็มทีแล้วนกะำลังร่วงเลยน่าสงเวทเนาะต่อไปแก่ก็เจ็บนอนเจ็บก็มีเวทนาจับต้องนู่นนี่นั่น เจ็บเล็กเจ็บน้อยได้บาดแผลใหญ่น้อยได้ผ่าตัดบ้างได้เข้าโรงหมอบ้างเป็นต้นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเราเคยสังเกตไหมหรือเราเห็นแล้วแล้วก็ผ่านไปไม่นํามาทบทวนเราก็ไม่เห็นเนาะจิตเรามุง่งมั่นไปตามความเห็นอันเป็นสิ่งที่ ร, ร่ำรวงออกไปอีกภายนอกมากมายความเป็นจริงก็ไม่ได้มาเตือนตัวเองเลยเนาะ มีเทวทูตเทวธรรมมาเตือนแล้วก็ไม่เห็นเนาะเตือนแั๊เดียวมาหายดีแล้วรักษาดีแล้วก็ลืมลืมตัวจะ เ, เองอีกก็ประมาทพลาดกลั้งคิดใจกระ่งไปข้างนอกอีกเนาะเราก็เลยลืมทบทวนลืมหลงมัวเมามาในกระแสแห่งความโกรธโทภหลงใช้ชีวิตเลี้ยงดูตนเองแล้วก็หา ทรัพย์สินเงินทองมากมายสุดท้ายเราได้ใช้ถึงเพื่อนปลายได้ทดผู้ใหญกันสะสมไว้เต็มที่เต็มฐานบางคนไหวรู้จักแบ่งปันกันบ้างเนาะก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านได้ให้โอววาดว่ามันเหมือนแม่น้าทั้งหลายเมื่อมันเป็นแม่น้ำเนาะไปไหลสู่ทะเลสาบไม่มีแหล่งที่จ่ายออกเนาะเป็นแม่น้าตายเ ป, เป็นทะเลสาบ หรือเป็นสิ่งที่กักขังเนา่นาน้ำนั่นก็เนา่าเนาะแต่ถ้ารู้จักระบายปล่อยทิ้งเสียบ้างมันก็น้ำนั้นก็บริบูรณ์มีสัตว์ทั้งหลายสิ่งสาวาลสัตว์มีพืชพันธ์ปัญญาหารเกิดขึ้นาน้ำเนา่าทำอะไรไม่ได้ดื่มใช้ต่อีกไม่ได้ฉัน้นใดก็ชั้นนั้นนทรัพย์สินที่พวกเรามีไว้ มากมายมันก็ประมาณนั้นถ้ามารู้จักแบ่งปันมารู้จักการให้หรือเรียกว่าทานมันก็สุดท้ายตายไปก็เน่าอยู่ในโลกนี้เองน้องเรากไม่ได้ใช้ไม่ได้สอยให้เกิดอริยทรัพย์ปใัใจัยไม่ก่อเกิดให้เกิดบุญกุศลคำจุนจิตใจของตนให้เกิดความดีงามเป็นหลักแหล่งแห่งการดําเนินจิตใจที่ร่มเย็นเป็นหลักแห่งการดินดูดกระแสแห่งความดี แล้วก็นำแต่ความดีนั้นมาตั้งมั่นอาเป็นตนว่าวันนี้เรามีธาตุสมบูรณ์มีรู ป, ปรคันที่ยังดำรงอยู่ได้มีเล่าล่างกลายให้พวกเราไม่มีเวทนาจับต้องเกินไปแสดงว่าบุญนั้นหล่อเลี้ยงเราอยู่เนาะยังไม่เจ็บไข้ไดป่วยไปตามวระตามวัยตามกรรมยังไม่มีกรรมไหนมาพราบชีวิตของเรา หรือทำร้ายเราให้เจ็บให้ได้ป่วยจนเกิดเวทนาจับต้องแสนสาหัสจนกระทั่งจิตใจเรานั้นไม่สามารถมานารงอาศัยหรือสามารถตั้งมั่นได้แสดงว่าวันนี้เรามีบุญเนาะเราก็นำสิ่งเรานั้นแหละมาตั้งมั่นภายในใจของตนเองต่อไปทำบุญทำความแช่มชื่นความความเบิกบานให้เกิดขึ้นดึงลงหาใจเข้า ก็เย็นลงให้ใส่ออกก็เย็นสบายดีนาะะแสดงว่าเรามีบุญแล้ววันนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้มีชีวิตอยู่ขณะที่เกิดขึ้นและดับไปชัวรขณะวินาทีเดียวเนี่ยชัวขณะจิตเจตสิกที่ดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยเราเคยตามพันบ้างไหมเนาะนั่นแหละคือการแตกดับทุกวินาทีที่พวกเรากำลังเกิดขึ้น อย่าว่าแต่กายแล้วจิตใจมันก็แตกดับเปนเดียวกัน น, น้องนู่นนี้นั่นคิดไปคิดมาดัตกอยู่ในวังวนเดียวกันคือแตกแล้วก็ดับไปแตกดับทันเขาว่าสเพสังคาราอนิจจาสเพธมานตาติเนาะสังขารทั้งร้ายนี่เกิดขึ้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปทำทั้งร้ายที่เกิดขึ้นก็มีแตกดับเป็นธรรมชาติ ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้เป็นของเราได้เลยไม่มีอำนาจอะไรไปบังคับให้สิ่งเหล่านั้นเหล่านี้เป็นเจ้าของของเราได้อย่างแท้จริงอ่าดังนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้หลักธรรมไว้หมดทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านตัดไปแล้วเป็นหลักธรรมแต่พวกเราตั้งหากที่ไม่เข้าใจเนาะจปนจึงตื่นหลงมัวเมาไปตามภาวะธรรมเหล่านั้นต่อไป อยู่กับอนิจจังก็อบอกว่าเป็นนิจจังเนาะคิดว่าเราจะเที่ยงแท้แน่นอนทุกขังเขาว่าเป็นโต๊ะเนาะไม่เห็นเลยว่าทุกมันเกิดซึ้นด้วยขณะความเสื่แก่เจ็บตายนั้นดับไปทุกไปล่ลําเวลาก็ไม่เห็นเนาะไปเห็นแต่ความสุขว่าเออมันทรงตัวอยู่ไม่มีอนุไอมีเกิดขึ้นทั้งๆ ท, ที่มันก็แตกดับไม่สามารถเอามาคืนได้เช่นผมเราหลุดล่วงไปจากพิสัส เราเอามาปักคืนได้ไหมฟันของเรากรรมการน้ำคุณหมอคุณหมอถอนออกไปหรือตั้งแต่เด็กเนี่ยฟันน้ำนมต่อไปเอาไปปักเอากลับมาปักในเหงือกมันก็ไม่รับเนอะมันก็ไม่ไม่ติดนี่แสดงว่าเราไม่สามารถบังคับร่างกายของเราให้มันดำรงอยู่ได้เลยนี่ความเป็นจริงแสดงเหตุอยู่อย่างนี้แต่พวกเราก็ไม่เห็นเนอะเราก็งงเง่าบาวัญญาณเสียเกิน ก็เตือนใจของเราด้วยความไม่ประมาทต่อไปเนาะรวบรวมจิตใจให้ตั้งมั่นทําใจทางในของตนให้มีความเห็นที่ถูกตรงนี้ต่อไปเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิความถูกต้องในความเห็นที่คิดถูกแล้วทางธรรมเราก็จะข้นขวายหาหลักธรรมนั้นมาสู่กระแสะแห่งจิตใจเนาะผ ส, สมความดี ต่างๆว่าในใจน้องอริยทรัพย์อะไรเรายังขาดอยู่ศรัทธามีหรือยังอ่ะถ้าเราเห็นตามความจริงพระท้าต้องเกิดเนาะเห็นคุณค่าของธรรมะพุทธเจ้าสอนไว้ศรัทธาเกิดประพฤติปฏิบัติทำตามมีศีลเมีมิริยะตระปืมเกรงกลัวระายต่อบาปต่อไปเนาะตั้งมั่นอยู่ในการประพฤติในศีลธรรมของตอนเองตั้งจิตให้เป็นปกติ ไม่คิดแสบสายเบียดเบียนผู้ใดเนะาะทำจิตของเรานั้นให้มั่นคงนี่คือหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเราไว้นำข้อธรรมต่างๆมาสอนทุกวี่ทุกวันเนาะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสอนให้มันชัดจิตใจมันฉลาดเนาะนำหลักไม่ไม่รู้ไม่เห็นไปอ่านาำรับตาราอ่านาำรับตาราแล้วก็ามาไต่ตองพิจารณาด้วยจินตนาการ มีจินตนาการดีกว่าภาวนาให้มันสงบละงับลงเนาะก็เรียกพาหุสุตตะเนาะจิตตะแล้วก็ภาวนานะให้เกิดขึ้นโดยอารมณ์ต่างๆทำให้ไข้ครวนโดยความแ ย, ยบคายเราก็จะได้ปัญญาในทางธรรมสอนตัวเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นธรรมต่อไปก็เป็นผู้สุตตะเป็นผู้เชี่ยวชาญตั้งมั่นเนาะดีเลตมาท่านไหนก็เห็น อนให้มันโรูมันเท่าทันเนาะความสวยความงามมาปรุงแต่งภาวะจิตใจให้เรานั้นล่มหลงมัวเมาไปตามความเห็นในภายนอกว่าคนนู้นสวยสดงดงามเราก็ดึงกลับมาบ้างพิจารณาเข้าไปในตัวเองเนาะให้เห็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าปฏิกูลทั้งหลายอุจจาระปัสสาวะตายออกมาเป็นอย่างไรเ น, ะนาะแนวเหม็นทั้งนั้นเราเราก็ไม่เห็นเนอะก็ต้องสอนนอ้อง สอนจนเป็นพอหูสูดสอนตัวเองให้ได้เนาะมีอาจารย์อยู่ในตัวมีอาจารย์อยู่ในใจเนาะจนกระทั่งเราเข้าใจสภาพธรรมเหล่านั้นก็จะสั่งสอนตัวเองให้ให้ใ ห, หาหลักธรรมหลุดพ้นจากภาวะควะามลุ่มหลงเป็นสมาธิิเบื้องต้นเป็นการดำริชอบเบื้องต้นเพื่อออกจากการมามคุณทั้งหลายอันเป็นข้อผิด ข, ข้องเพื่อออกจากกิเลส เนาะในกามเนาะในความบกมุ่นมัวเมาในรูปประหารร่างกายในกามฉั้นพระทั้หลาดที่ติดข้องอยู่ในคุณของความยึดในโลกกิยวิสัยนั่นเองเนาะแล้วก็หาหนทางบ้างเนาะฝึกฝนตนเองเพื่อไต่ตองให้เกิดนําิีชอบแล้วก็ตั้งจิตของตนนั้นให้เกิดความพยายามมันเพียรดํำรงหนุนจิตใจของตนเอง ให้มีกระแสแห่งความเจริญของจิตให้มีกำลังนะวังชาให้จิตใจมันอิ่มตัวในธรรมหาหนทางมุ่งออกจากโรคนี้บ้างนะ้องก็จะได้เกิดสมาธิเกิดสติตั้งมัน่นแล้วก็เกิดสมาธิต่อไปเมื่อสอนทีแล้วกระจากพระละกิเลสได้หนละพูดง่ายๆเนะาะจะพระละสิ่งต่างๆที่เราติดข้องจัญญาเป็นปัญญา เรียกว่าอริยทรัพย์ทั้งหลายที่พวกเราตั้งใจตั้งอกตั้งใจมาทําความดีทุกวิถีทุกวันไม่จะเกิดขึ้นพุทธพองขึ้นมาในใจจิตใจก็รวบรวมตนเองได้ง่ายสงบลงเย็นสบายเนาะเราสุขนี้น้อกั็ดีนะแต่ขยับประมาทต่อไปพอเพราะกินเล่นั้นละเอียดยยบคายรุ่ดเกินเนาะวันหนึ่งคืนหนึ่งทําไมรู้จักนํามาชาระมนทินภายในใจฝึกฝนตนเองแล้ว อยากนัดวันหนึ่งจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ได้สักกี่นาทีอยอมลองคิดดูวั24ชั่วโมงได้ถึง5นา5วินาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเสนันประมาทเป็นไหนก็ไม่รู้ตั้ง23ชั่วโมง59นาที45วินาทีหายไปแล้วเนาะโอ้ชั่วชีวิตเราเป็นหลงกับแดนเกิดมากมายแค่มาแดนรู้ทำ 1ิบ้าินาทณาดีว่าจะมีหรือเปล่าน้อวันวันหนึ่งนะเอออ่าก็พอเป็นสังเกเนะให้พวกญาติโยมเป็นอัตถธรรมในการพิเคราะห์พิจารณาเนานะว่าชีวิตเราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปจะมีสาระอะไรที่เป็นประโยชน์ก็คือธรรมะนั่นเองนำมาปรุงแต่งจิตใจนันเองทำให้เกิดสาระแก่นสารมีกำลังมีวังชาในการต่อสู้ กิเลส ข, ของตนอันเป็นสมุทัยที่ทำให้พวกเรานั้นมาวนว้ายตายเกิดกายตายเกิดอยู่ในปะจจสงสารอันเป็นสังสารทุกข์นนตรงนี้นี่คือรับธรรมอันมีค้าที่องค์สมเดษษมม็เ จ, จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้อันสูงสุดที่พวกเรานั้นเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธองค์อย่างหาประมาณไม่ได้โดยพระเมตตาอันสุดประมาณนี้เองท่านก็ดำริ ว่าบุคคลใดน้อที่จะนับธรรมเหล่านี้ได้ก็อยู่ในเวนัยศัตร์นี้แหละเนาะบุคคลทั้งหลายพมุมงปัญญาแล้วส่วงน้อมนำให้เกิดประโยชน์นำไปพินิษพิจารณาให้เกิดคุณค่านำหลักธรรมนั้นเข้าไปประพฤติในใจของตอนเองก็จะเกิดสติสำเร็จ ญ, ญาในการอบรมให้มีความสงบรมเย็นทุกวี่ทุกวัน จะได้มีมูลค่าของจิตเกิดมาตายแล้วไม่เสียดายชีวิตเนาะใช้ชีวิตด้วยความมีสติตามจัญญาด้วยความไม่เสียคุณค่าไม่ไร้สาระในทางธรรมเกิดเป็นมนุษย์นั่นก็ยากเป็นทีแล้วเนาะเกิดพระพุทธศาสานาอีกก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ดันั้นมาพบทั้งสองสิ่งสองอย่างแลปลีดเล่งขนควายยิงพวกเราหัวขาวหัวดำ <c oughs> จะเป็นข่าว ขึงขาวขึงดําเนาะหัวดำเลยประมาณดูไม่รู้ขาวขึงขาครึงดำเลยอย่าประมาณเนาะขาไปแล้วยิงอย่าประมาณเนาะขาข้างหนึ่งมันเหยียบในยมวันโลกเข้าไปแล้วแปดสิบเอร์เ็นนาะเห็นเลยี่สิบเอร์เน็เนชีวิตเนะาะจะนั้นรีบเสียเนะาะหาผลทางอ่าอะไรที่มันเป็นกิริยาความดีรีบเติมแต่งเสียอะไรเป็นความชั่วกระทิ้งเสีย อะไรที่เป็นทำให้จิตมันตั้งมั่นเนาะผ่องใสได้ก็เรียบเร็ยนรับฟอกจิตใจของตนเองทุกวิรูวันก็คงประ ส, สขความเร่มเย็นเสริมประโยชน์ในการแสดงธรรมกับข อ, อนุโมทนายิตธิจแตเพียงเท่านี้เนาะอว่างเนาะ